รักษาศีลฝังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความสุขและความเจริญเพื่อความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่การชนะผู้อื่นเช่นการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ แข่งขันการทำมาหากินแข่งขันการกีฬาหรือแข่งขันอะไรก็ตามต่อกับผู้อื่นนั้นเวลาที่เราชนะเมตเราไม่ถือว่าเราเป็นผู้ที่ชนะจริงเพราะว่าการที่เราชนะแบบนี้มันต้องชนะไปเรื่อย เพราะจะต้องมีคู่แข่งมาท้าริงเราไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องกลายเป็นผู้แพ้ไปการชนะที่แท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชนะใจให้ชนะตนคือให้ชนะตัวเราเองเช่นให้ชนะความโกรธ เวลาที่เรามีความโกรธแล้วอยากจะพูดไม่ดีทําไม่ดีมีความอาฆาตพยาบาทถ้าเราไปทําตามที่เราโกรธก็จะสร้างความเสียหายหตามมาทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเราเองจะเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปเมื่อเราไปทําเขาแล้ว เขาก็จะมาทำเราอีกการชนะผู้อื่นอย่างนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจของเราสงบมีความสุขแต่ถ้าเราชนะความโกรธได้เมื่อไรความสงบความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาความไม่มีเวรไม่มีกรรมก็จะเป็นผลที่ตามมา นี่คือความหมายของการเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้บูชายกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะว่าพราะองค์ได้ชนะใจของพระองค์เองได้ชนะตนไม่ได้ไปชนะผู้อื่น ไม่ได้ไปทำสงครามกับผู้อื่นแต่ทำสงครามกับกิเลสที่มีอยู่ในใจของพระองค์เมื่อสามารถเอาชนะกิเลสที่มีอยู่ในใจได้แล้วพระองค์ก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจจะไม่มีสงคราม ภายในใจเอกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปราบหรือเอาชนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงของเราได้แล้วภายในใจของเราก็ยังจะต้องมีการต่อสู้กันมีสงครามอยู่ภายในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมสงครามระหว่าง ความดีกับความชั่วแล้วก็จะระบาดออกไปข้างนอกเวลาที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะก็จะส่งผลออกไปสู่ภายนอกถ้าฝ่ายดีชนะก็จะส่งผลที่ดีออกไปสู่ภายนอก mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเอาความดีชนะความชั่วทั้งหลาย ที่มีอยู่ในพระไทยของพระ อ, องค์ได้แล้วก็มีแต่ความดีออกมาสู่สัตว์โลกทรงมีแต่ความเมตตาการุณามีความสงสารมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์โลกตลอดระยะเวลา45ปีด้วยการด้วยการสั่งสอนอบรมสัตว์โลก ให้เอาชนะใจของตนเองจนมีผู้ประกอบเป็นผู้ชนะขึ้นมาเป็นจานวนมากคือพระอระหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เอาชนะตนให้เอาชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลง จนกระทั่งความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วใจก็จะสงบอยู่อย่างสันติสุขไม่มีอะไรมาสร้างปัญหาให้กับใจต่อไปแล้วก็จะไม่ไปสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นเพราะใจที่มีความสงบจะอยู่อย่าง สันติจะไม่เบียดเบียนจะไม่สร้างปัญหาให้กับใครทั้งสิน้นมีแต่จะสร้างประโยชน์โดยถ่ายเดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงการชนะที่แท้จริงต้องชนะที่ใจชนะตนชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลง อย่าไปชนะผู้อื่นอย่าไปทะเลาะวิวาสมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นขอให้เราชนะภายในด้วยการแพ้ภายนอกการที่เราจะชนะภายในไดน้เราต้องแพ้ภายนอกคือเราจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครใครเ้าจะมาเบียดเบียนเราสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราจะให้อาภาัยเขา เราจะยอมแพ้เราจะไม่ต่อต่อสู้จะไม่เอาไม่เอาคืนจะไม่ล้างแค้นจะไม่อาฆาตพยาบาทคิดว่าเป็นการใช้ก ร, รมใช้เวรไปก็แล้วกันชาติก่อนในอดีตเคยทำอะไรกันมาชาตินี้เขาก็มาทำกับเราแต่เราจะไม่ สร้างเวงสร้างกรรมอีกต่อไปเราจะตั้งอยู่ในความสงบไม่ตอบโต้แต่อย่างใดจะจะยอมเป็นผู้แพ้แต่แพ้แบบพระแต่ไม่เอาจะไม่จะไม่เป็นผู้ชนะแบบแบบมารแบบมารก็คือฟันต่อฟันใครเขาทำอะไรเรา เราก็ต้องกลับไปทำเขาอย่างนี้ไม่ได้เป็นการชนะกันเพราะจะเป็นเวรเป็นกรรมกันไม่รู้จักจบจากสิ้นตายจากกันในพรมนี้ชาตินี้เมื่อไปเกิดใบไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะมีความเกลียดชังกันทันทีจะมีการอาฆาตพยาบาทกันทันที ชีวิตก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขจะต้องคอยป้องกันตัวเองอยู่เสมอจะต้องทำร้ายผู้อื่นเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆจะไม่มีโอกาสที่จะพบกับความสงบสุขได้เลย แต่ถ้าเราได้ทบตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาและทรงสั่งสอนให้บาเพ็ญคือให้เราเอาความดีชนะความชั่วเอาความอภัยไม่จองเวนชนะความโกรธเป็นต้นถ้าเราทำได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีปัญหาอะไรกับใคร เราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่เขาเกลียดชังเราเขาก็จะหายเกลียดชังเราเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขามีความเกลียดชังเพิ่มขึ้นเมื่อเขาได้ระบายความเกลียดชังด้วยการพูดหรือทำอะไรกับเราแล้วต่อไปเขาก็จะหายเกลียดชังไปเอง นี่คือการระงับเวรกรรมที่แท้จริงเวรนั้นย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรดังนั้นถ้าเรามีปัญหากับใครไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเราเองหรือเป็นคนที่ไกลตัวเราก็ตา่างขอให้เราอย่าไปตอบโต้ อย่าไปต่อสู้กับเขาขอให้เราตั้งอยู่ในความสงบเขาอยากจะได้อะไรอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปถ้าเราหลบได้หลีกได้เราก็หลบไปหลีกไปถ้าเราหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันคนเราทุกคนเกิดมาต้องมาใช้กรรมด้วยกันทุกคนมากหรือน้อย เท่านั้นเองแต่การใช้กรรมนี้เมื่อใช้ไปแล้วมันก็จะหมดได้ถ้าเราไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกถ้าเราไปสร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกมันก็จะตามเราไปอีกก็จะไม่มีที่สิ้นสุดทงนั้นขอให้เราฝึกให้อภัยระงับดับความโกรธ ด้วยการดีสติดูใจของเราเวลาที่ใครพูดอะไรทําอะไรขอให้เราหันดูมาดูที่ใจของเราว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกไม่ดีเราอย่าไปโกรธเขาเราควรมาโกรธตัวเราเองที่งโง่ที่ไปที่ไปมีความโกรธเกิดขึ้นมา ท่นว่าคนโง่เท่านั้นที่มีความโกรธคนฉลาดจะไม่โกรธเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่โกรธเพราะท่านรู้ว่าความโกรธนี้ไม่ได้เป็นโทษกับใครแต่เป็นโทษกับตัวของคนโกรธนั่นเองเพราะเวลาโกรธแล้วใจจะร้อนเหมือนไฟนรกจะมีไฟนรกเผาผลาญจิตใจ ทำให้อยู่ไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความโง่ก็จะหลอกให้ไปดับความโกรธ ด, ดับไฟนรกนี้ด้วยการไปทำร้ายผู้อื่นแทนที่จะดับไฟนรกกลับไปสร้างไฟนรกให้เพิ่มขึ้นอีกเพราะถ้าเกิดไปทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตก็จะสร้างิดเกิดความหวาดกลัวกลัวที่จะต้อง ต้องใช้โทษใช้เวงใช้กรรมบางทีถึงกับต้องฆ่าตนเองเพื่อหนีโทษหนีกรรมไปเวลาไปฆ่าผู้อื่นแล้วก็ฆ่าตัวเองตามไปไม่ได้แต่ความจริงแล้วไม่ได้ฆ่าปัญหาที่แท้จริงก็คือความโกรธตายไปความโกรธก็ยังติดไปกับใจเป็นไฟนรกที่ต้อง ที่ส่งให้ไปตกนรกหมกไม้อยู่จนกว่าไฟนั้นจะมอดดับไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้ายังโง่อีกก็จะทำอย่างนี้อีกซ้ำาๆซากๆกไปอยู่เรื่อยๆดังมีคำพูดว่าฆ่าตนเองแล้วก็จะต้องกลับมาฆ่าตนเองอีกห้า้อชาติ เพราะมันจะเป็นนิสัยไปนั่นเองเวลามีปัญหาขึ้นมาไม่รู้จะแก้อย่างไรก็คิดหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายฆ่าแล้วมันก็ไม่ไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาก็ยังมีอยู่ภายในใจก็คือไฟแห่งความโกรธนี่เองดังนั้นเวลาที่มีความโกรธ วิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเอาน้ำแห่งธรรมะมาดับไฟน้ำแห่งธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราให้อภัยไม่ให้ถือโทษโกรธเคืองสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำมันก็ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปลบมันได้ แต่ใจของเราถ้าฉลาดเราก็รู้ว่ามันก็ผ่านไปแล้วเจ็บก็เจ็บเดียวเดียวเจ็บก็เจ็บตอนนั้นเท่านั้นเองเวลาใครพูดอะไรทําอะไรก็เจ็บตอนนั้นแต่ถ้ามีปัญญามีสติก็จะไม่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเอามาคิดอยู่เรื่อยๆก็ยิ่งทําให้เจ็บอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นไปแล้วผ่านไปแล้วเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปลืมมันเสียอย่าไปคิดถึงมันเท่านี้เรื่องก็จบใจของเราก็ไม่ไม่เสียหายอะไรใจนี้ไม่มีใครสามารถทำลายได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่จะทำลายใจได้ทร้ายใจได้ คือสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เวลาโกรธนี้ใจจะทุกข์มากแล้วยิ่งคิดถึงเรื่องที่ทำให้ตนเองโกรธก็ยิ่งทำให้มีความทุกข์อยู่ต่อไปอีกทั้งๆ ท, ที่เรื่องราวต่างๆนั้นมันผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันความโกรธมันก็จะหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร หรือเราจะใช้การให้อภัยก็ได้เหมือนกับการทำบุญให้ทานการให้อภัยนี้ก็เป็นทานชนิดหนึ่งเรียกว่าอภัยยาทานเป็นบุญเหมือนกับที่เราให้เงินทองให้ข้าวของกับผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยนนาวมกับข้าวกับปลาอาหารของขค้าของหวานมาถวายพระอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทานเป็นการให้ เป็นวัตถุทานให้วัตถุเข้าของเงินทองเมื่อให้แล้วก็จะทำให้ใจมีความสุขมีความสบายใจเช่นเดียวกับการให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้คิดเสียว่าเป็นเหมือนกับทาบุญตักบาทใครทำอะไรพูดอะไรที่ทำให้เราโกรธขึ้นมาเราก็ยกโทษเราไม่ถือสา ความโกรธมันก็จะหายไปความสบายใจความเย็นใจความสุขใจก็จะกลับคืนมานี่คือบุญบุญแปลว่าความสุขใจความสุขใจนี้เกิดขึ้นจากการที่เราได้ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกับผู้อื่นไปโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับแต่อย่างใด ให้ไปเพื่อให้เขามีความสุขถ้าความสุขของเขาคือการทำร้ายเราก็ให้เขาไปให้เขาทำไปเมื่อเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขถึงแม้เราจะเจ็บร่างกายบ้างก็ตามหรือเราจะสูญเสียสิ่งของบางอย่างไปแต่ใจของเรากลับได้สิ่งที่ดีกว่ากลับมาคือได้ความสงบสุขเย็นใจ แล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าใครจะทำอะไรจะไม่สามารถทำให้เราโกรธได้จะไม่สามารถทำให้เราเสียใจได้จะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้นี่แหละคือการชนะที่แท้จริงชนะที่ใจของเราคือสามารถรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบสุขได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามใจของเราจะรู้สึกเฉยเฉยจะสูญเสียอะไรไปก็ไม่เสียใจเสียของแล้วไม่เสียใจนี่คือคนฉลาดจะเป็นอย่างนี้เสียอย่างเดียวไม่เสียสองต่อถ้าคนโง่ก็จะเสียสองต่อเสียของไปแล้วยังต้องมาเสียใจต้องมาร้องห่มร้องไห้ต้องมาอาฆาตพยาบาท มาเกลียดชังผู้รูอีกอย่างนี้เป็นวิสัยของคนโง่ทำไปแล้วไม่ได้ทำให้จิตใจของตนเองมีความสุขเลยแต่กลับทาให้จิตใจของตนต้องมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทำไมยังทำกันอยู่ก็เพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นเอง หรือฟังแล้วก็ไม่ยอมเอาไปปฏิบัติยังเสียดายความโกรธอยู่ยังเสียดายความทุกข์ยังเสียดายความรุ่มร้อนจิตใจยังเสียดายความอาฆาตพยาบาทอยู่ยังอยากอาฆาตพยาบาทยังอยากโกรธยังอยากเกลียดอยู่ทั้งๆ ท, ที่มันเผาหั ว, หวจิตหัวใจของเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายไป ก็ยังหวงมันอยู่ยังเสียดายมันอยู่เพราะความโง่มันฝังลึกอยู่ในจิตในใจจนไม่สามารถรับฟังคำสอนของคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าได้นี่คือปัญหาของคนที่มีความโลภโมโทสันมากเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ไลยเหตุไร้ผลทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ของตนเอง เวลาเกิดความโกรธก็โกรธอย่างเต็มที่เวลาเกิดความเสียใจก็เสียใจอย่างเต็มที่ไม่มีสติดูใจของตนเองเลยว่าตนเองขณะนี้กำลังเป็นอะไรไปกําลังกลายเป็นคนบ้าไปก็ไม่รู้สึกตัวเพราะขาดสติขาดปัญญาดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำถ้าเราอยากจะชนะตัวเรา อยากจะชนะอยากจะเป็นผู้ที่ชนะที่แท้จริงเราต้องฝึกตั้งสติอยู่เรื่อยเราต้องคอยเฝ้าดูใจของเราว่าขณะนี้มีอารมณ์อะไรอยู่บ้างกาลังโกรธหรือเปล่ากําลังโลดหรือเปล่ากําลังหลงหรือเปล่ากําลังเสียใจหรือเปล่ากําลังยินดียินร้ายหรือเปล่าหรือเฉย สิ่งที่เราต้องการก็คือทำให้ใจนิ่งเฉยไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งต่างๆที่มาคบมากระทบกับจิตใจไม่ว่าใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็ตามเราอย่าไปหลงยินดีหรือยินร้ายถึงแม้เขาพูดดีเราก็ไม่ต้องไปดีออกดีใจ เวลาใครเขายกย่องสรรเสริญเราเราอยากไปดีใจเพราะถ้าเราดีใจแล้วแสดงว่าเราหลงแล้วหลงคําพูดของเขาพอเขาเปลี่ยนคําพูดพอเขาพูดว่าเราไม่ดีเท่านั้นเราก็เสียใจแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจะคิดว่าเป็นเียเหมือนกับเสียงลมพัดเสียงลมพัดมันไม่ดีมันไม่ชืว่วแต่อย่างใด เราไปให้ความสำคัญกับเสียงนั่นเองเท่านั้นเองวางิงเสียงมันก็เป็นเสียงมันไม่มีคุณมันไม่มีโทษมันไม่เลวมันไม่ร้ายมันไม่ดีมันไม่ชั่วแต่อย่างไรแต่คนฟังนี้ต่างหากที่ไปแยกมันว่าเป็นเสียงดีหรือเสียงชั่วเสียงดีก็ดีอกดีใจเสียงชั่วก็เสีย อ, อกเสียใจ คนฉลาดจะฟังแบบกลางๆไม่ดีไม่ชั่วฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังเพื่อเอาความจริงเช่นเวลาใครเขาชมเราสรรเสริญเราเราก็ตรวจดูตาดูว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเราเป็นอย่างที่พูดก็แสดงว่าคนพูดนี้ไม่ใช่เป็นคนตาบอดเขาพูดตามความจริง ก็เท่านั้นเองเราก็รับรู้ไว้เท่านั้นเองว่าเขาพูดตามความจริงถ้าเขาพูดว่าเราดีแต่เราพิจารณาดูในตัวเราแล้วว่าเราไม่มีความดีอย่างที่เขาพูดก็แสดงว่าเขาพูดแบบคนตาบอดพูดหรือเขาพูดเพื่อที่จะเอาอกเอาใจเราแต่เราอย่าไปหลงตามคำพูดของเขาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรจะทำให้เรา เห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าเรามีความดีในตัวเราทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีความดีอยู่นี่คือคนฉลาดจะใช้ปัญญาใช้สติอยู่เสมอไม่ว่าจะเห็นหรือจะได้ยินอะไรก็ตามจะใช้สติปัญญาแยกแยะแล้วก็ปล่อยวางจะไม่ให้มากระทบกับจิตใจของตนเอง ให้มีความว่าวูดขุนมัวแต่อย่างใดถ้ามีสติมีปัญญาแล้วเราจะสามารถรักษาจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบได้เพราะเราจะไม่หลงตามสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราได้ยินเราเห็นอะไรเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆเช่นเห็นความเจริญเราก็จะรู้สึกเฉยๆ เห็นความเสื่อมเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเรารู้ว่าในโลกนี้นั้นมีทั้งความเจริญและมีความเสื่อมผัดกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเจริญและมีการเสื่อมเช่นเราเกิดมาเราก็ต้องมีการเจริญเติบโตเมื่อเราโตเต็มที่แล้วเราก็ต้องมีความเสื่อมเราก็ต้องแก่ไปและในที่สุดเราก็ต้องตายไป นี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เรามาเกิดและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วการที่เราไปดี อ, อกดีใจไปเสีย อ, อกเสียใจนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเพียงแต่จะทำให้ใจของเราแกว่งไปแกว่งมาวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆ จนหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอพวกเราโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าที่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือความสงบสุขของจิตใจด้วยการมีสติมีปัญญาไม่หลงยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งใดที่เราไปยินดี เวลาเราสูญเสียสิ่งนั้นไปเราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจถ้าเราไปยืนร้ายกับสิ่งที่เราได้สัมผัสเราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราทำใจให้เฉยๆว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งต่างๆนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันมันไม่ดีมันไม่ชั่วมันไม่มีอะไรกับจิตใจแต่ใจเราไปหลง ไปว่ามันเองว่ามันดีว่ามันชัว่วแล้วก็เกิดมีการยินดียินร้ายตามมาเท่านั้นเองขอให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็เป็นปกติของเขาอยู่อย่างนั้นรูปที่เราเห็นก็สักแต่ว่ารูปเสียงที่เราได้ยินก็สักแต่ว่าเสียงเราอย่าไปให้ความสำคัญกับมันว่าเป็นเสียงดีหรือเสียงไม่ดีเพราะว่าถ้าเรา ไปให้ความสำคัญอย่างนั้นแล้วใจของเราก็จะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเช่นเวลาเราไปต่างประเทศเราฟังภาษาคนอื่นเขาพูดไม่เป็นถึงแม้เขาจะด่าเราอย่างไรเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่เข้าใจความหมายของภาษาที่เขาพูดหรือเขาจะยกย่องชมเชยเราอย่างไรเราก็ไม่ได้ดีอกดีใจตามเขาไปด้วย เราก็จะรู้สึกเฉยๆเราจะสบายใจกว่านี่คือที่ตั้งของความสงบสุขที่แท้จริงคือการทำจิตใจให้เฉยๆไม่ให้ยินดียินร้ายเพราะยินดียินร้ายนี่เป็นผลที่เกิดจากความหลงเป็นผลที่ไม่มีปัญญานั่นเองถ้ามีปัญญาแล้วจะต้องเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ายินดีหรือน่ายินร้าย ทุกส <departed. |mt|>. he <tan> ิ่งทุกอย่างเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราไปหลงกับเขาเองท่านั้นเองสิ่งไหนที่เราชอบเราก็ว่ามันดีสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็ว่าไม่ดีแต่สิ่งเดียวกันนั้นอีกคนหนึ่งเขาก็กลับเห็นตกกันข้ามกับเราเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเขากลับเห็นว่าดีก็ได้มันไม่ได้ของของนั้นมันจึงไม่ได้ดีหรือไม่ดีแต่อย่างใด แต่คนดูต่างหากที่ไปว่ามันดีหรือไม่ดีเช่นคนคนเดียวคนหนึ่งนี้คนหนึ่งก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีอีกคนหนึ่งก็กลับเลียดชังคนคนเดียวกันว่าเป็นคนไม่ดีแต่คนนั้นเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละนี่เราต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้เราอย่าไปหลงยินดีกับอะไรเพราะว่าเราจะ ต้องเสียใจในภายหลังเพราะสิ่งที่เรายินดีเมื่อเขาจากเราไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจหรือถ้าเราไปไม่ยินดีกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าเราก็จะทนอยู่กับเขาไม่ได้เราก็จะวุ่นวายใจหนักอกหนักใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราถือเสียว่าเขาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเหมือนกับเราเรายังไม่เบื่อตัวเราเองเราไม่เกลียดตัวเราเอง เราไปเกลียดเขาทาไมเขากับตัวเราก็มีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันไม่มีอะไรที่วิเศษกว่ากันหรือเร็วกว่ากันแต่อย่างใดถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกคนจะเห็นว่าทุกคนที่เหมือนกันหมดมีกาแก่เจ็บตายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกัน ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ไม่รักใครไม่เกลียดใครเราก็จะมีแต่ความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความสงสารเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากแล้วเราจะมีความสุขกับการมีมีมีความรู้สึกอย่างนี้ต่อผู้อื่นนี่คือการชนะตนเอง ชนะด้วยปัญญาชนะความโง่ถ้าเราสามารถชนะความโง่แล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะไปตลอดเพราะเราจะไม่ไปนชนะใครเราจะเราจะชนะกับสิ่งที่ไม่ไม่ดีที่มีอยูใ่ในตัวของเราเองเท่านั้นก็คือความหลงนี่เองอยิงขอให้เราหันมาดูที่ใจของเราเป็นหลักมาต่อสู้กับสิ่งภายในใจของเรา สัจจูที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในคือความหลงที่หลอกให้เราไปยินดียินร้ายหลอกให้เราไปโลภหลอกให้เราไปโกรธ ถ, ถ้าเราชนะความหลงได้แล้วเราก็จะไม่โละเราก็จะไม่โลภเราจะไม่โกรธเราจะไม่รักจะไม่ชังนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของเรา การชนะที่แท้จริงต้องชนะที่ตรงนี้ชนะที่ใจของเราจะขอให้เราพยายามตั้งสติแล้วดูใจของเราเป็นหลักดูคนอื่นแล้วหันกลับมาดูใจของเราว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับคนอื่นถ้าเราโกรธเขาก็แสดงว่าเราโง่แล้วถ้าเราเกลียดเขาเราก็โง่แล้วถ้าเราลากเขาเราก็โง่แล้ว เพราะจะเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยอย่างนั้นแสดงว่าเราฉลาดแล้วเพราะเมื่อเรารู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่รู้สึกวุ่นเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจกับเขาเลยดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญสติอยู่เรื่อยๆดูใจของท่านอยู่เรื่อยๆและเพื่อเอาชนะความโลภความโกรธความหลง เพื่อเราจะได้เป็นผู้ชนะที่แท้จริงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายการแสดงก็เห็นว่าสมกวดแก่เวลาจึงข อ, อยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ